สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจา ก, กสีบานนะครับในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์เป็นวันแรกของการทํางานของหลายๆคนนะครับแต่วันนี้เป็นวันหยุดของสีบา น, นครับแต่เป็นวันหยุดทําให้เราทั้งหลายจะมีเวลามากขึ้นนะครับในฐานะที่เป็นสีบานนั้นก็จะได้มีโอกาสแบ่งปันพี่น้องพี่น้องครับในวันนี้เราอยู่ในเรื่องชีวิตพระเยซูนะครับตอนที่ห้าสิบแปดด้วยกันห้าสิบแปดตอนแล้วนะครับแล้วก็อยากจะให้ ตอนต่างๆนั้นได้เป็นภระพรไปถึงชีวิตของพี่น้องผมก็ได้บอกกับเจ้าหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานนะครับของผมบอกว่าระครบหกสิบเมื่อไหร่นะครับเราก็จะทำเป็นซ d ดี3อสามแจกนะครับพี่น้องที่ต้องการก็ขอได้หรือบางครั้งเราจะดาวน์โหลดให้นะครับในเว็บไซต์ของโบสถ์วัฒนาครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้นะครับเรามาอยู่ในพระรมลรูกานาครับตอนเดียวกันกับเมื่อวานก็คือลูกกาบทที่สี่นะครับ ข้อที่16จนถึงข้อที่30นะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับพระเยซูในหัวข้อภายใต้ว่าที่นาซาเลต์นะครับที่นาซาเลต์นั้นเขาไม่ต้อนรับพระเยซูนะครับขณะที่เราได้ผ่านนะครับไปหลายหลายวันนะครับผู้เผยพระเจ้าไม่ได้รับการต้อนรับในเมืองของตนเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่จริงจังมากนะครับเพราะว่าในข้อที่24นะครับพระเยซูตรัสบอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ไม่มีผู้เผยพรชนะคนใดได้รับการต้อนรับในเมืองของตนพี่น้องครับหากว่าพระเยซูบอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายหมายความว่าความจริงนั้นเป็นความจริงที่สมบูรณ์แบบนะครับ <c oughs> เป็นความจริงแท้เป็นความจริงที่จะต้องเป็นอย่างนั้นนะครับเกิดขึ้นเสมอพระเยซูบอกว่าผู้เผยพรชนะไม่ได้รับการต้อนรับในเมืองของตนพี่น้องครับ แล้วหลังจากนั้นพระเยซูก็ตรัสเกี่ยวกับเรื่องของคนต่างชาติชาวยิวโกรธเสมอครับโดยเพราะอย่างยิ่งนาเชเลตคนนาเชเลตนั้นก็เป็นคนยิวเมื่อมีใครเอ่ยถึงคนต่างชาติชาวยิวจะโกรธเสมอนาเชเลตก็โกรธ ด, ด้วยนะครับรเยซูตรัสถึงผู้ผเผยพระชนะชื่อเอลียนะครับและก็เอลิชาสองคน ผู้เผยพระเจ้านั้ทั้งสองคนนี้จะทําการอัศจรรย์ให้ความช่วยเหลือคนต่างชาติครับและรายแรกที่พระเยซูยกมาเป็นตัวอย่างก็คือเอลียากับหญิงม่ายชาวสาเรฟัตซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมหนึ่งพงก ษ, ษ, ษ, ษ, ษ, ษัตริย์บทที่สิบเจดนะครับข้อที่แปดถึงข้อที่สิบหกหากว่าพี่น้องมีเวลานะครับลองเปิดอ่านหลังจากที่ก่านฟังพระเยซูตรัสว่ามีหญิงม่ายหลายคนในพวกอิสราเอลในคราวเอลียาเมื่อทองฟ้าปิดเสียถึงสามปีกับหกเดือน จึงเกิดกระดานอาหารมากทั่วแผ่นดินและเอลิยาไม่ได้ปรับใช้ให้ไปหาหญิงไม้คนใดเลยเว้นไว้แต่หญิงไม้ที่บ้านซาไราฟัดและเป็นหญิงไม้ที่ไม่มีใครรู้จักหมายความว่าไม่มีชื่อนะครับบันทึกไวซาไราฟัดนี่อยู่ที่แขวงเมืองไซดอนนะครับพี่น้องครับนี่เป็นเคสแรกที่พระเยซูได้พูดถึง เกี่ยวกับการที่ตรงได้ในฐานะของพระเจ้านะครับในสมัยก่อนที่ผ่านมานั้นพระเจ้าได้ให้ความเมตตาต่อคนต่างชาตินะครับโดยว่ายิ่งหญิงไม้เมื่อเรากลับไปดูนะครับหนึ่งพงศ์สัตย์บทที่สิบเจ็ดข้อท่ปถึงข้อที่สิบหกนั้นเมื่อผมได้มีโอกาสอ่านและค้นคว้าผมมีความรู้สึกว่าสิ่งที่พระเจ้ากำลังจะบอกกับพวกเรา ก็คือว่าแม้ว่าหญิงไม้ชาวสราริฟัตนี้ไม่ได้เป็นคนยิวแต่พระคุณของพระเจ้านั้นก็เผยแผ่ไปถึงได้แสดงว่าพระเจ้านั้นไม่ไม่ใช่เป็นเพียงพระเจ้าของคนยิวแต่เป็นเป็นพระเจ้าของคนทั่วโลกเป็นพระเจ้าของคนต่างชาติด้วยเหตุนี้เองทําให้ความรักความรอดได้ตกมาถึงพวกเราในทุกวันนี้พี่น้องครับเราจะเห็นชัดเจนนะครับหากว่าชาวยิวเขา ไม่ได้ตรึงพระเยซูไม่ได้ปฏิเสธพระเยซูความรอดนั้นก็คงจะมาถึงเราไม่ง่ายนักหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าไม่ได้เลยแต่เนื่องจากว่าคนยิวเขาปฏิเสธพระเยซูครับความรอดจริงเผยแผ่มาถึงคนต่างชาติแด้วยเหตุนี้เองทําให้ทั้งหลายได้รับความรอดได้รับพระคุณขององค์พระองค์มาจนถึงทุกวันนี้สิ่งที่ปรากฏอยู่ในตัวหญิงไม้ ขณะที่หญิงไม้ได้พูดกับเ อ, เอรียาบอกว่าพระเจ้าของท่านนะครับแสดงว่ากิริยบของพระเจ้าของคนอิสราเอลนั้นได้เรื่องลือไปในหมู่ของคนต่างชาติความเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าจักรวาลความเป็นพระเจ้าที่ไม่ได้เป็นพระเจ้าเฉพาะแค่กลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เป็นพระเจ้าของซาโคโลกนี่เป็นบทเรียนที่เราได้รับนะครับ บทเรียนที่สองที่เบียซูได้ยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างก็คือเอลีชาครับซึ่งเป็นผู้เผยพระนะกับนาอามานคนโรกเรือนนาอามานี่เป็นใครครับนาอามานั้นในสองทงกษตัตริย์บทที่ห้านะครับข้อที่หนึ่งได้บันทึกว่านาอามานั้นเป็นผู้วังทับบัญชานะครับสูงสุดของกองทัพของพระราชาประเทศซีเรียประเทศซีเรียนั้นอยู่เหนืออิสราเอลขึ้นไปทางเหนือนะครับ และคนคนนี้ชื่ออนามานั้นเป็นคนที่สําคัญมากของประชาเป็นคนมีเกียรติเพราะว่าพระเจ้าทรงนําชัยชนะมายังซีเรียรโดยท่านนี้และท่านเป็นวีรบุรุษด้วยแต่ท่านเป็นโรคเรื้อนพือนะครับวีรบุรุษที่เป็นโรคเรื้อนอนาคตหายไปเลยนะครับเสียอนาคตไปหมดเลยชีวิตของเขาที่มีเกียรติชีวิตของเขานี่ที่เป็นวีระบุรุษชีวิตของเขาที่นําชัยชนะนะครับมาถึงกองทัพซีเรียนะ ผลงานต่างๆนั้นกลายเป็นดีไปแล้วเพราะตอนนี้ท่านเป็นโรคเลี้ยงแต่พระกังพีได้บันทึกนะครับว่าพระเจ้าทรงนําชัยชนะมาถึงซีเรียรโดยท่านผู้นี้แสดงว่าพระเจ้านั้น <c oughs> สามารถที่จะครอบครองทุกๆประเทศชาติได้อยู่เหนือทุกๆเหตุการณ์ของโลกนี้ได้พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่นะครับในขาดเดียวกันที่น้องครับด้วยเหตุนามาลผู้นี้ เขาเชื่อฟังนะครับเขาเชื่อในการทรงดำของพระเจ้าเขาเชื่อในขณะที่ลูกน้องเขาบอกว่าให้ไปจุ่มในแม่น้ำจอร์แดนเถอะมากกว่านี้เรายังทําได้เลยพเพราะอะไรครับเพราะว่าหากว่าพี่น้องได้มีโอกาสอ่านในพระคัมภีร์ตอนนี้พี่น้องจะเห็นว่าเอลิชานั้นแทบจะไม่ได้เจอหน้ากับนามาเลยนะครับเอลิชาส่งคนสื่อสารไปบอกว่า ให้นามานนั้นไปชำระตัวนะครับไปจุ่มตัวที่แม่น้าจอแดนซึ่งเป็นแม่น้าที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเจ็ดครั้งเนื้อของเขาจึงจะกลับคืนมาเป็นอย่างเดิมและเขาจะสะอาดพี่น้องครับนามานก็โกรธครับแล้วบ่นว่าดูเถิดข้าคิดว่าเขาจะออกมาหาข้าเป็นแน่และมายืนอยู่และออกพระนามพระเยววาพระเจ้าของเขาและโบกมือโรคเรื้องของข้าก็จะหายทาไมล่ะ ทำไมจะต้องมาล้างตัวนะครับแม่น้ำลำธารของอิสราเอลบ้านเราดีกว่าเยอะนี่คือสิ่งที่นากมารกิตครับแต่เนื่องจากว่าท่านก็ได้เชื่อฟังนะครับท่านจริงลงไปจุ่มตัวเจ็ดครั้งตามถ้อยคำของคนของพระเจ้าในที่สุดเนื้อของท่านก็กลับคืนมาพี่นะครับประเด็นสำคัญที่พระเยซูกำลังจะบอกเรานะครับก็คือว่า หากว่าเราตอบสนองหรือใครก็ตามที่ตอบสนองด้วยความเชื่อในพระเยซูนั้นไม่ว่าเขาจะเป็นคนต่างชาติหรือเขาจะเป็นอิคนอิสราเอลไม่ว่าเขาจะเป็นลูกของพระเจ้าเคยเป็นลูกของพระเจ้ามาก่อนหรือเปล่านะครับคนเหล่านั้นครับจะได้รับส่วนดีหรือสิ่งดีจากความเชื่อการเชื่อฟังของเขาเขาจะได้รับพรที่มาจากพระเจ้าพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับเมื่อพระเยซูทรงยกชาวต่างชาติมาเป็นตัวอย่างในเชิงยกย่อง ชาวยิวที่นาสาเลสกโกรธมากครับในข้อยี่สิบแปดนะครับบันทึกว่าคนนักงปวงในธรรมศาลาก็โกรธเพราะเขาไม่อาจยอมรับความจริงว่าภารกิจของพระเยซูก็ดีความห่วงใยของพระเจ้าก็ดีเพื่อช่วยเหลือมวลมนุษยชาติไม่ได้จํากัดวงอยู่แค่เมืองเมืองหนึ่งหรือชาติชาติเดียวแต่ขยายไปถึงคนทั่วโลกในข้อยี่บเก้านะครับบอกว่าพวกเขาผลักไสพระองค์ออกไปจากเมืองนาสาเลสไปยังเนินเขาแห่งหนึ่งตั้งใจะจะผลักพระองค์ให้ตกหน้าผาตาย ทั้งทั้งที่โปรงคือพระเยซูนะครับเด็กนาซาเลสนะรบเติบโตมากลายเป็นชายหนุ่มแล้วก็เป็นบุตรของโยเซฟกับมารีด้วยพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าความเกลียดชังมันพัฒนาได้ถึงขนาดนี้ถ้อยคำของพระเยซูมีผลทำให้พวกเขานั้นกระทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความถูกต้องพระเจ้ายัางไม่พร้อมที่ให้พระเยซูตายนะครั บ, รบในข้อสามสิบว่า บันทึกบอกว่าพระองค์ทรงดำเนินผ่านท่ามกลางเขาพ้นไปในหมายความว่าพระเยซูหายตัวได้หรือเปล่าครับพระเยซูทรงทำอะไรสักอย่างนึงนะครับผ่านพวกเขาไปเลยพี่น้องครับมีวันหนึ่งครับใ น, ใ น, ใ, นในการบันทึกถึงชีวิตพระเยซูนั้นพระเยซูจะเสด็จกลับมานาเสรกีครับในช่วงของการปฏิบัติใช้การทำพระราชกิจของพระเยซูนะครับ ในที่สุดเราเห็นนะครับว่าพระเยซูนั้นไม่ได้ส่งสั่งสอนหรือทําการรักษาโรคในเมืองนาสเลสโปร่งเฉลต์ ด, ด, ดาเนินไปทั่วเกลิลีไปยังที่ต่างๆแวะใกล้เมืองนาสเลสชาวนาสเลสไม่ต้อนรับพระเยซูรพระองค์จึงทรงจากบ้านไปปฏิบัติภารกิจในที่ที่ประชาชนต้องการพระองค์พี่น้องครับวันนี้เราคงจะมีบทเรียนนะครับจนถึงณเวลานี้บทเรียนสั้นๆนะครับก็คือ เราจะต้องตอบสนองด้วยความเชื่อในพระเยซูเมื่อพระเยซูสั่งให้เราทำอะไรบทเรียนประการที่สองก็คือว่าอย่าเป็นคนใกล้เกลือกินด่างนะครับจงดูแลผู้รับใช้ของท่านและที่ไหนก็ตามที่เกิดผลมากหากว่าพระเจ้าได้ใช้ท่านไปจงไปครับนะครับอย่าไปจมอยู่กับนาักเลสอย่าไปจมอยู่กับที่ที่เขาไม่ได้ต้อนรับเราอามนีน